ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ก็อายจะแลงความจริงอยากบอกรักกับโมยิงว่ารักจริงรักเธอสุดหัวใจแต่เรามันคนไม่รอรวยไม่พอเลยรอต่อไป ข, ขี้คลาดขาดความมั่นใจสอบสาว้าในก็ไม่กลา้าและแ่ไม่นุกความทุกข์ยับนักความรักจุกอกตั้งราซา ม, ม, มุมชักใหญ่พัวใจขึ้นราไม่บอกออกมาสาตาและเจ้าเมืองว่ารัก ไม่ชายมาลอกใครแลงหน่อยหน่อยแต่ต้อย น, นักคำว่ารักคำเดียวที่อยากไปแรลงหน่อยแต่ความจริงใจใหยทาวันความจริงมีสิ่งอยากบอกวางตีออกติดอยู่ในปา คำรักมันใส่แรงยากรักเธอมากแต่ผมแล้วสั้นวันนี้จำเป็นต้องแรงให้รูดำรูแดงให้รูกันหนับหนึ่งซองสามจองหน้าคบฝันแล้วบอกว่าฉันรักเธอ คำกไม่ใช่ามาลอกไรแ่งหน่อยหน่อยแต่ต้อยนักคำ่ารักคำเดียวที่อยากไปแรงหน่อยแต่ความจริงใจยใ่ยทาวันความจริงมีสิ่งอยากบอกวางตีออกติดโยในป่า รักมันใส่แรงยางรักเธอมากแต่ผบแล้วสั้นวันนี้จำเป็นต้องแรงให้รูดำรูแดงให้รู้กันนับหนึ่งสองสามจองหน้าคบฝันแล้วบอกว่าฉัน